บทที่สี่สิบเจ็แบ่งสมบัติยายตื่นตั้งแต่ตีสีเช่นเคยเดินไปปลุกหลานสาวยังห้องที่หลานชายเคยอยู่ แล้วก็ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องพระทำวัดเช้าจบก็นั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงเมื่อถอนจิตออกจากการภาวนายายแผ่เมตตาไปยังนางเหรียนลูกสาวคนโตซึ่งยายรักและก็เป็นห่วงมากกว่าคนอื่นๆอีหมาเอ้ยสายสายเอ็งมาที่บ้านข้าหน่อยนะไอ้หนูมันมาจากบางกอกช่วยจัดการแบ่งสมบัติให้มันด้วย เวลาตายข้าจะได้นอนตาหลับเงินทองของข้าเก็บฝังไว้ในทุนบ้านไอ้หนูมันช่วยเอาไปฝังให้ตอนหลังมันคิดจะขุดเอาไปขายนำเงินไปเล่นการพ น, นันเทวดาก็เลยย้ายไปไว้ที่ป่ากระชายห่างจากที้ทุนออกไปห้าวาเอ็งจัด ก, การมาขุดแล้วก็แบ่งกันเสียให้เรียบร้อยก่อนที่ข้าจะกลับจากวัด ไม่อยากให้นางจำแรงรู้เดี๋ยวมันจะน้อยใจในความรู้สึกของนางเรียนเหมือนกับว่ามารดามาบอกได้ตนเองดังนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จจึงเดินทางมายังบ้านมารดาแล้วก็พบหลานชายเพิ่งจะตื่นนอนคนเป็นหลานยกมือไหว้แล้วจึงบอกว่ายายไม่อยู่หรอกครับไปทําบุญที่วัดกับนางจำแรง เห็นว่าจะกลับมาชวนพ่อกับแม่ผมมาที่นี่ด้วยยายบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนข้ารู้แล้วเมื่อเช้าแม่แกไปบอกข้าว่าให้มาขุดสมบัติแบ่งกับเองก่อนที่จะกลับจากวัดเห็นว่าไม่อยากให้นางจำแรงรู้อิหมาของยายบอกคนเป็นหลานสมบัติอะไรหนมน้อยแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องอ้าว แม่แกไม่ได้บอกเองหรอกรอไม่เห็นว่ายังไงตอนยายไปวัดผมยังไม่ตื่นสงสาัยยายคงไม่อยากปลุกเพราะเห็นผมเหนื่อยเมื่อวานนั่งเรือมาทั้งวันวันนี้ตอนบ่ายก็ต้องนั่งกลับอีกทำไมเองไม่อยู่หลายหลายวันละ่ะผมไม่อยากขาดโรงเรียนพอดีครูที่ผมไปอยู่ด้วยเขามาช่วยงานบวชนาคที่อินบุรี เลยให้ผมมาด้วยมาเรือส่วนตัวนักป้าก็อย่าบอกใครนั่งสบายกว่าเรือเขียวเรือแดงตั้งหลายเท่าป้าสบายดีหรือครับก็เรื่อยเรื่อยว่าแต่จะไปขุดสมบัติกันหรือยังละ่ะนางเร่งเร้าไดยรู้สึกเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่เหล้าสมบัติอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาทดสอบผู้เป็นป้า ว่าจะรู้เรื่องจริงๆหรือว่ามาหลอกเข้ากันแน่ที่เองฝังไว้ในถุนและเทวดาช่วยย้ายไปไว้ที่ป่ากระชายไงล่ะทําไมต้องย้ายด้วยล่ะป้าคราวนี้เขาเชื่อว่านังเหรียญไม่ได้พูดปดมดเท็จยังจะมีหน้ามาถามก็เพราะเองคิดจะลักไปขายนะสิถามจริงๆเธอเองคิดจะลักสมบัติไปขายจริงๆหรอผมไม่รู้เรื่อง นุมเจริญตอบเสียงแข็งเรื่องอะไรจะยอมรับครูชิ้นเคยสอนไว้ว่าทาริจะเป็นผู้ร้ายต้องใจแข็งปากแข็งอย่ายอมรับอะไรง่ายๆนางเหรียญเห็นหลายชายเอาจริงเอาจังชักกลังเละแต่แล้วก็พูดขึ้นว่างั้นก็ลองไปขุดกันแม่แกบอกว่าอยู่ที่ป่ากระชายห่างจากที่เดิมไปประมาณห้าว่า เมื่อเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หนุ่มน้อยจึงออกอุบายว่างั้นป้ารอผมเดี๋ยวหนึ่งขอผมออกไปซื้อของที่ตลาดเดียเด๋ยวๆก็ได้รีบๆเขานะเดี๋ยวนั่งจำแรงกลับมาเห็นเข้าก็จะเสียเรื่องหมดรับรองผมจะวิ่งไปวิ่งกลับป้ารออึใจเดียวเท่านั้นเขาจัดการหาผ้าขาม้ามาโภกสีจะและครุ่มหน้า เหลือไว้แค่ลูกในตาทำไมต้องพกหัวเป็นพมา่าด้วยผู้เป็นป้าถามผมไม่อยากให้ใครจำได้เดี๋ยวเขาจะถามถึงเจ้าโก้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าโก้ด้วยนางเรียนไม่รู้เรื่องที่หนมกันเชียงเสียชีวิตเพราะเวลาที่นี่อยู่หมดไปกับดื่มเหล้าไม่รับรู้เรื่องราวของใครก็มันตายไปแล้ว ป้าอย่าถามต่อเลยนะผมไปละเขาก้าวเท้าสวบๆลงเรือนไปนางเหรียนจึงนอนรอคิดว่าเมื่อได้สมบัติแล้วก็จะไปซื้อเหล้ามาดื่มให้หายเปรี้ยวปากครึ่งชั่วโมงต่อมาหนุม่มน้อยก็กลับมาถึงบ้านมีเหล้าโรงถือติดมือมาสองขวดคนที่นอนคอยเห็นขวดเหล้าถึงกับน้ำลายสอมือไม้สั่นระริกเองดื่มเหล้าได้หรือ ดีจริงจะได้เป็นเพื่อนกับป้าอ้าวแล้วของป้าอยู่ไหนล่ะครับจะได้มากรงได้กันอยู่บ้านนางตอบไปอย่างนั้นเองอันที่จริงก็มีแต่ขวดเปล่าส่วนสิ่งที่อยู่ในขวดนางจัดการดื่มจนหมดไม่เคยเหลือติดค้างไว้ให้เกะ ก, กะลูกในตางั้นดื่มกับผมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใหม่หลานชายแสดงความเอือ้อเฟื้อ นี่เองเก่งถึงขนาดกินทีละสองขวดเชลรึหลานป้าเก่งจริงๆพูดอย่างชื่นชมดีใจนักที่หลานชายก็มาตะเภาเดียวกันหลานป้าจะต้องเก่งเหมือนป้านะสิหนมน้อยแซงยองั้นก็ไปหยิบแก้วมาเร็วๆป้าอดใจไม่ไหวแล้วละนางสั่งบ้านนี้ไม่มีแก้วหรอกป้า เพราะไม่มีคนดื่มเหล้าผมว่าเอาขันน้ำก็แล้วกันเขาเดินไปหยิบขันน้ำอลูมิเนียมใบเของมาส่งให้นางเหรียนรับมาด้วยมือสันระริกจัดการริงเหล้าใส่ขันแล้วก็ดื่มอย่างคนตายอดตายอยากหนุ่มเจริญต้องการมอมเหล้าผู้เป็นป้าจึงเดินเข้าไปในครัวตักขนมบัวลอยไข่หวานมาถ้วยหนึ่ง ต้องกินกับขนมบัวลอยจึงจะเข้ากันดีไม่เอาเดี๋ยวได้เมาตายนางเหรียญรีบปฏิเสธไม่รอกคนอย่างป้าขืนเมาก็เสียชื่อแย่กินเถอะกินธนาะรับรองว่าไม่เมาลูกสาวคนโตของยายเกรงว่าจะเสียชื่อก็เลยกินขนมเสียหมดถ้วยหลานชายผู้แสนดีคอยรินเหล้าเติมให้ ตัวเขาเองก็ทำทีเป็นดื่มแล้วก็แอบไปบ้วนทิ้งที่หลังบ้านเล่าหมดไปขวดหนึ่งคนที่มารดาเรียกว่าอีหมาก็นอนแผ่สองสลึงอยู่กลางเรือนไปขุดสมบัติกันเถาะป้าเดี๋ยวนั่งจำแรงมาเห็นเข้าล้านชายชวนคนเมาโงลเงินลุกขึ้นนั่งเพราะว่าห่วงสมบัติแต่แล้วก็ต้องนอนแผลลงไปอีก เพราะบ้านหมุนเคว้งคว้างจนตาลายไปหมดเองไปขุดคนเดียวก็แล้วกันพูดเสียงอ้อแอ่เต็มทีหนุ่มน้อยไม่รอช้าลงจากบ้านไปขุดสมบัติและก็แบกเฉพาะหายบรรจุทองขึ้นมาบนบ้านเขาจัดการยักยอกสายสภายหนักเส้นละแปดบาทซึ่งเหลืออยู่สองเส้นส่วนเส้นที่ยายให้ตอนเช้า ไปเรียนบางกอกยังเก็บไว้อย่างดีที่บ้านครูสอนสายสะพายแล้วก็หยิบสร้อยข้อมือหนักสีบาทมาอีกสี่เส้นรวมน้ำหนักทองที่ยักยอกได้ในครั้งนี้32บาทตอนฝังไว้มีทองคำทั้งสิ้นหนักร้อยบาทจึงเหลืออีกร้2ยบบาทที่ต้องแบ่งกับนางเหรียญ น้อยจัดการห่อสายสะพายสองเส้นกับสร้อยข้อมือสี่เส้นแล้วใส่ลงในถ่ายแขวนไว้ที่เสาเรือนประนมมือบอกผีบ้านผีเรือนว่าเจ้าประคุณข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะยักยอกของนี้แต่ที่ต้องทำเพราะอยากจะเก็บไว้ทำบุญให้ยายหากของนี้ไปตกอยู่กับป้าเหรียญก็ต้องถูกขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินยายก็จะไม่ได้บุญ ขอผีบ้านผีเรือนช่วยรักษาไว้ด้วยอย่าให้ใครมาเห็นหรือมาขโมยไปอธิษฐานเสร็จเขารู้สึกมีลมพัดผ่านกายวูบหนึ่งเหมือนกับว่าผีบ้านผีเรือนรับที่จะปกปักรักษาเอาไว้ให้จากนั้นก็แบ่งของที่เหลือออกเป็นสองกองกองหนึ่งหนักห้าสบสาบาทอีกกองหนักห้าสิบาบาทกองที่หนักห้บสาบาท มีร่างแหทงคําอยู่ด้วยจึงเป็นข้อต่อรองที่เขาจะได้ทองเพิ่มอีกหกบาทจัดการเสร็จก็ปลุกนางเหรียญซึ่งนอนหลับไหลไม่ได้สติเพราะความเมาป้าเตื่นเถอะจวนได้เวลายายกลับแล้วความกลัววาสมบัติจะถูกแบ่งไปให้นางสาวจำแรงทำให้นางเหรียญส่างเมา ลุกขึ้นนั่งงวงเงียแล้วก็ถามว่าเอ็งแบ่งยังไงถามพลางดูกองสมบัติซึ่งมีทองรูปประพัน์กองละหกชิ้นคนละกองทองทั้งหมดหนักร้อยห้าสิบบาทก็แบ่งคนละเจ็สิบหบาทป้าเอากองนี้ก็แล้วกันเขาชี้ที่กองหนักห้าสิบสามบาทเอากองนั้นไม่ได้หรือ นางต่อรองได้รู้ว่าหลานชายเหลี่ยมจัดผมไม่อยากได้ตับปิ้งป้าเป็นผู้หญิงเอากองนี้แหละตกลงคนเป็นป้ายองแต่โดยดีเพราะรู้ว่าต้องอาศัยหลานให้พาไปส่งบ้านตัวเองนั่นแค่จะเดินก็คงไม่ตรงทางอย่าว่าแต่จะแบกหายสมบัติเลยมีหายเงินอีกอยู่ข้างล่างป้าแบกไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรอก เอ็งช่วยแบกไปส่งหน่อยสิก็ได้แต่ป้าต้องจ้างผมนะขอส้อยหนักหบาทเส้นหนึ่งตกลงนะยังไม่ทันนางเหรียญจะเอ่ยปากอนุญาตเขาก็หยิบส้อยคอเส้นนั้นขึ้นสวนเป็นอันว่านางเหรียญได้ส่วนแบ่งเพียง48บาททั้งที่ความจริงควรจะได้76สบบาทส่งป้าเหรียญถึงบ้านแล้วหนุ่มน้อยก็ขอตัวกลับ เขาใช้ผ้าขาม้าคลุมหน้าจึงไม่มีใครจําได้ที่สําคัญก็คือวันนี้เป็นวันพระผู้คนส่วนใหญ่พากันไปทําบุญที่วัดพวกที่อยู่บ้านก็เป็นเด็กๆแล้วก็คนแก่ที่ไปวัดไม่ไหวแม้บางคนพอไปไหวหากก็ไม่อยากไปเบียดเสียดกับผู้คนจึงจําศีลอยู่กับบ้านในตาบล น, นี้คงมียายคงเข้าคนเดียวที่อายุมาก แต่ยังไปวัดได้หนุ่มน้อยขึ้นไปบนเรือนนำทองที่ซ่อนไว้ออกมาดูด้วยความชื่นชมขณะนี้เขาเป็นเจ้าของทองคาหนักถึงร้อยสี่บาทคิดเป็นเงินนับร้อยร้อยช่างทองเหล่านี้เขาจะเก็บไว้กับตัวสิบสามบาทคือสวมอยู่ที่คอหนักห้าบาทกับสายสะพายหนักแปดบาทที่บ้านครัวอนอีกสามสิบสองบาท ใส่ถ่ายแขวนไว้ที่เสาเรือนส่วนที่เหลือห9บาทประเดี๋ยวมารดามาจะฝากมารดาเก็บไว้ให้บ่ายสามโมงทิดพองพาลูกชายมาถึงท่าเรือโดยมีลูกสาวช่วยแบกข้าวของมาสง่ง ยายให้ข้าวขาวจำปามาสองถังหนุ่มน้อยตั้งใจจะให้ครูสอนถังหนึ่งอีกถังหนึ่งให้เจ้าของเรือส่วนพวกปลาย่างปลาเคม็มเขาจะแบ่งให้บ้านครูสอนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะนําไปฝากคุณประพจน์นําไปให้คุณป้าสายใจซึ่งเท่ากับให้คุณปู่กับคุณย่าของเขาเพราะคุณป้าสายใจเป็นคนทําอาหารให้ปิดามารดา และพวกหลานๆเดือนแรกที่ต้องกินเองเขาคิดถึงบ้านสามกระไดที่มีคุณป้าเป็นคนทำให้โดยเขาและพวกบ่าวไพร่เป็นลูกมือครั้นแยกออกมาเขาต้องกินอดๆอยากๆแต่ด้วยความเมตตาของคุณโกสมทำให้ไม่ต้องหุงหากินเองเพราะเธออนุญาตให้ไปกินที่เรือนใหญ่ทั้งยังบอกครูสอนผู้สามี ไม่ให้เก็บค่าเรียนดนตรีไทยจากเขาอีกด้วยรออยู่ครึ่งชั่วโมงเรือส่วนตัวก็มาจอดที่ท่าน้ำหนุ่มเจริญแนะนำบิดาและพี่สาวให้รู้จักกับคนในเรือคุณโกสงออกปากชมกับทิดพองว่าพ่อเจริญเธอช่างน่ารักเสียจริงขยันขันแข็งช่วยงานดิฉันทุกอย่างกิริยามารยาทก็เรียบร้อย คุณพองเลี้ยงลูกดีเหลือเกินต้องยกความดีให้ยายผมครับเขาไปอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุหกขวบถ้าเลี้ยงเองอาจจะไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ได้ทิดพองพูดถ่อมตัวเขามีคุณธรรมพอที่จะไม่แอบอ้างเอาความดีของคนอื่นมาเป็นของตนแม้มีโอกาสแต่พ่อแม่ก็มีส่วนนะคะดิฉันเชื่อค่าวว่า คนที่ดีนั้นต้องดีมาตั้งแต่เกิดหรือบางคนอาจจะดีก่อนเกิดด้วยซ้ำส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงส่วนประกอบคุณโกสุมออกความเห็นก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับเท่าที่ผมเคยเห็นลูกขอทานแท้ๆยังกลายเป็นเจ้าเมืองได้ผมว่าเรื่องกรรมนั่นแหละสำคัญที่สุดมนุษย์เรามีกรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตไม่ใช่พรหมลิขิตดังที่เขาเชื่อกัน แต่เป็นเรื่องของกรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมก็มีเก่ามีใหม่ด้วยหรือคะคุณโกสูงถามหัวเราะหัวเราะมีสิครับกรรมเก่าก็คือกรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติส่งผลมาเกิดในชาตินี้ส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่ทําต่อไปในอนาคตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นเศรษฐีได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและกรรมใหม่ กรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมใหม่ที่จะทำต่อไปในอนาคตเราเลือกได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์ท่านคงไม่ตรัสสอนเอาไว้เรื่องบุคคลสี่ประเภทคุณโกส้สมทราบแล้วใช่ไหมครับประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนถึงดิฉันจะมีสวนมะพร้าวแต่ก็ยังต้องการซื้อจากคุณพองอยู่ดี เพราะไม่ทราบจริงๆกรุณาอธิบายด้วยเถอดค่ะคุณโกสมอยากฟังคือพวกที่มามืดไปสว่างพวกที่มาสว่างไปมืดพวกที่มาสว่างไปสว่างและก็พวกที่มามืดไปมืดทิศพงพูดจบคุณโกสมก็เข้าใจชัดแจ้งด้วยเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วลูกชายผมเรียนดนตรีไทย ไปถึงไหนแล้วครับสร้างความหนักใจให้คุณครูรือเปล่าบิดาหนงเจริญถามครูสอนไม่หนักใจอะไรเลยเขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้คงจะได้มาจากคุณปู่ฝีมือตีระนาดเขาไม่แพ้คุณหลวงเลยนะครับผมต่อเพลงแขบแลบบุรีให้เที่ยวเดียวเขาก็เล่นได้ทันทีเป็นลูกศิษย์ที่ผมภูมิใจที่สุด ครูสอนชื่นชมเห็นใครๆก็ชื่นชมแต่น้องชายไม่มีผู้ใดสนใจหล่อนนางสาวจำแรงรู้สึกหงุดหงิดและนึกหมั่นไส้น้องชายเป็นกำลังผานโกรธไปถึงยายที่ไม่ขอหล่อนมาเลี้ยงบ้างหล่อนอยากมีเพื่อนมากๆอยากไปเรียนบางกอกอยากนั่งเรือโกโก้และแต่งตัวสวยอย่างคุณรัตนา อันที่จริงหล่อนก็มีคุณปู่เป็นถึงคุณหลวงแต่เหตุใดบิดาจึงไม่ส่งหล่อนไปเรียนบังกอกอย่างน้องชายบ้างยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดหน้าร่อนเลยหงิดงอจนบิดาสังเกตเห็นจึงเอ่ยปากลาครูสอนและคณะตั้งใจเรียนนะลูกไม่ต้องห่วงทางบ้านทิดพองพูดกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย นมน้อยยกมือไหว้าลาบิดาและพอเข้าใจความรู้สึกของพี่สาวจึงไหว้าลาหล่อนด้วยทั้งที่ไม่เคยไหว้กันมาก่อนนางสาวจำแรงรู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่งหล่อนยกมือไหว้พวกผู้ใหญ่แล้วรับไหว้คุณรัตนาและก็พวกเด็กๆที่อ่อนวัยกว่าทิพพองนึกหม่นไส้ลูกสาวขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารหล่อนดังนั้น ที่คิดจะว่าจึงไม่ว่าสองพ่อลูกพากันเดินกลับบ้านอย่างเงาเงาไม่มีใครพูดอะไรกระทั่งถึงบ้านยายซึ่งแมจวนรออยู่